ยาซีเรียเรื่องไอ้ดำอวดดีไอ้ดำเป็นคนเกเรเป็นนักเลงโตกินเหล้าเมาสุรา อาลวาดในหมู่บ้านมันไม่กลัวใครเดินไปไหนคนหลีกเป็นทางเพราะกลัวบารมีวันหนึ่งหลังจากเมาได้ที่ก็เดินเข้าวัดมาลองดีกับพระหลวงพี่ได้ข่าวหลวงพี่เจ๋งมากเทศดาพวกกินเหล้าทุกวนันผมอยากรู้เหมือนกันว่าหลวงพี่จะแน่ขนาดไหนะอยากลองของสึกหน่อย มีคนลา่าใฟังว่าหลวงพี่แน่พูดให้คนเชื่อฟังและทำตามได้ใช่ไหมะนะลองพูดหรือออกคําสั่งให้ผมทําตามหน่อยสิถ้าทําได้ผมจะก้มลงกราบด้วยความนับถือแต่ถ้าทําไม่ได้แสดงว่าไม่เจ๋งจริงผมจะให้ชาวบ้านเลิกใส่บาตรเลิกพี่ทั้งหมู่บ้านเลยหลวงพี่ก็ได้ชื่อว่ายอดวิทยายุทธ์ ย่อมไม่หนีคำท้าอยู่แล้วนี่แนะเจ้าดาเวลาข้าพูดสอนคนนี่ทำตามคำสั่งเนี่ยข้าต้องพูดเสียงดังแล้วน้ำลายมันจะกระเด็นเปื้อนหน้าคนที่ยืนตรงข้ามฉะนั้นเองต้องขยับมาอยู่ข้างเจ้าดาอยากลองของอยู่แล้วก็รีบขยับเดินมายืนทางขวามือของหลวงพี่เฮ้ยเวลาหลวงพี่เทศ จะต้องออกท่าทางด้วยโดยเฉพาะมือขวาเธอเองมายืนใกลๆ้ๆมือข้าอาจจะฟาดหน้าเองเข้าก็ได้อ้อมมายืนทางซ้ายมือดีกว่าเจ้าดำรีบวิ่งมาทางซ้ายมือของหลวงพี่อย่างรวดเร็วเพราะจะได้รีบทดสอบเสียทีไอ้ดำตั้งแต่ข้าเจอคนมามากมายเองเป็นคนแรกที่ว่างง่ายสอนง่ายที่สุด สั่งให้มายืนข้างๆเองก็มายืนแต่โดยดีสั่งให้ไปยืนทางซ้ายมือเองก็รีบวิ่งตามคำสั่งอย่างรวดเร็วข้าไม่เห็นว่าเองจะเป็นคนดื้อด้านสอนยากอย่างที่เองว่าตรงไหนเลยเจ้าดำพอรู้ว่าเสียรู้หลวงพี่เสียแล้วก็ทั้งเจ็บทั้งอายพูดอะไรไม่ออก ในที่สุดก็ก้มลงกราบตามที่ตัวเองได้ลั่นวาจาพนันไว้